ตั้งใจใฟังให้ดีอาตมาจะเทศให้ฟังวิริยนทุกขมัตเจ ต, ติบุคคลจะล่วงพ้นความทุกข์ได้เพราะความเพียรอันนี้คือพุทธภาษิตคำสอนของอุตยา่าเรามาทำอย่างนี้อยู่ นั่งสมาธิทั้งวันทำอยู่งั้นแหละถ้าไม่มีความเพียร น, นะนี้ไปไหนแล้วไม่อยู่หรอกอันนี้เรามีความเพียรมีความพยายามมีความจะเอาให้ได้ตามให้เป็นมันมีอยู่ในใจ ความภาคเพียร น, นี่แหละจะทําให้สําเร็จเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยไม่หมดกําลังใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญความภาคความเพียรองค์สั้นเอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระ อ, องค์ก็มีความภาคความเพียร บำเพ็ญความเพียรอยู่ตั้งนานตั้งหกปีนั่นนะจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้ทำความเพียรจนเห็นแต่โครงกระดูกทรองโบนะถ์รูปที่มีทรองโบเข้าไปเนะี่ย มองเห็นสันหลังนั่นแหละเป็นพระพุทธรูปบางทำความเพียนเรียกว่าทำทุกขละกิริยาทำความเพควนมเพียนชนิดที่ไม่มีไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะพระองค์ได้ในเรื่องนี้คือเรื่องความเพียนนี่ ย่เรียว่าทุกละกิริยาการกระทำความเพียรที่ยิ่งยวดไม่ท้อไม่ถอยต่อสู้อดทนลำบากวันไหนก็ตามไม่ถอยระองทำความเพียรอยู่ใต้ต้นมะพระสีมหาโพธิ์ หือต้นอัดสัะพรึกอยู่ในอินเดียมีมากต้นไม้ชนิดนี้อยู่ตามกลางทุกไรทุนาเป็นร่มเย็นสบายบมี เ, าเอาอพระอาทิตย์ไม่สองไม่ถึงพค์ก็ทําความว่าความเพียรความอดความทนไม่กลัวความเหนื่อยยากลําบากทุกปัญหาทุกลบากพระในพระองค์ก็ทํทาอทเอา พยายามปฏิบัติพยายามกรทําจนในที่สุดก็ได้สาเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจริงๆนี่แหละเมื่อก่อนนี่อัตมามาอยู่ที่นี่อัตมาก็ทำความเพียรทำความภาคความเพียรปฏิบัติขาดเกา้ากิจใจ สิ่งไหนไม่ดีข็ให้ยามละสิ่งไหนดีก็เจริญทำให้มากอยู่ตลอดส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านไม่ค่อยทำความเพียรเอ่ถ้า ก, ก็กินหมากแก็บๆก๊บแกบ๊เคี่ยวหมากแล้วก็หักสเสล็ดใส่ถงุงเหมือน เหมือนว่าถ้าอาตมาได้ธรรมะในพุทธศาสนานี้ท่านก็คงเจอไปได้เหมือนกันเพราะท่านก็เฝ้าเลยมานั่งเฝ้าอยู่ศาลาเนี่ยอาตมาก็ทําความเพียรเดินโยมอยู่ในศาลอยู่นอกศาลานี่แหละอหอยเฝ้าดูทำจริงนะสมัยนั้นทําริงมากเลยเอาจน หินอ่อนจนเป็นมันเลยเดินไปนะเด <c oughs> ินทุก ว, วันทุกวันสารเช้าเสร็จก็เดินเลย <c oughs> ล้างบาทรล้างอะไรเสร็จแล้วเดินชมกล <c oughs> มเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่างนั้นแหะเ <c oughs> ดินกลับไปแล้วก็เดินกลับมาเดินกลับไปเดินกลับมาบริกรรมภาวนาวไว้ในใจก้าวขาไป กล่าไปกล้ามานะฮะในที่สุดก็ดีเลยก็ดีไม่เสียหายคุ้มค่าในการปฏิบัติเนี่ยคุ้มค่านั่งสมาธิบางทีก็เอาตั้งแต่สิบแปดนาิการนจนถึงตีสี่นั่ง แต่ก็ไม่ได้ตีสีทุกวันหรอกบางวันก็หกทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มนี่แหละก็ะพักผ่อนแต่มีข่าวหนึ่งนั่งสมาธิแล้วคอยดูเพราะมันมันมันหลับในอเอ๊ ะ, อะมันหลับในได้ยังไงทำไมหลับในอย่างนี้จีดรวมลงไปแล้วก็หลับไปเลย ไม่ลู้หลับเมื่ อ, อไหร่ไม่ไปหลับตอนไหนรู้สึกตัวไอทีก็โอ้ล้วนอนแล้วนี่โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้อะทำไมเป็นอย่างนี้อาตมาก็คอยดูพอสิบแปดนาฬิกาก็เริ่มเขานั่งสมาธิเลย นั่งสมาธิแนวลงไปหิตใจจดจอ่อลงไปตั้งสติคอยดูว่าจิตของเราจะเข้าภาวะหลับเมื่อเวลาไหนมันจะเข้าภาวะหับหรือมันจะหลับตอนไหนคอยดูคอยดูจนถึงตีสี่รู้สึกเหนื่อยหลังนิดหนึ่ง เลยว่าตั้งแค่ว่าจะจะนอนหน่จะนอนสักหน่อยหนึ่งพออย่างนี้พอจะนอนเท่านั้นแหละหัวยังไม่ถึงหมอนเลยโอ้โหมันน่าดูจริงๆเลยเราทำา้อบ้าข้เพียนมาเราเห็นชัดแล้วเัล่านี้ดีใหญ่ใหญ่เลย อ๋อคอุณสาแล้วก็เลยไปถามกาบเรียนถามหลวงปู่เทศในเรื่องนี้หลวงปู่เทศก็บอกว่าพยายามทําให้มันละเอียดนะอัตมาพยายามทำให้มันละเอียดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยนี่แหละพยายางนี้แหละยิดนี่ถ้าเราฝึกหัดได้เนี่ยมันดีที่สุดถ้าเราฝึกหัดมันได้ มันจะดีดีนะดีมากๆทีเดียวความเพียรก็เป็นมารกเป็นอริยมารกเป็นทางไปถึงซึ่งมากคนนิพพานให้ตั้งใจบำเพ็ญความเพียรนีให้มากอย่างทำวัดสวดมนเราก็มีนั่งสมาธิเราก็ต้องมีไม่มากก็น้อย วันหนึ่งให้นั่งสมาธิสักครั้งหนึ่งก็ยังดีวันละถ้าไม่มากวันละสิบนาทีก็ก็ได้เอาแค่สิบนาที ท, าทุกวันทุกวันอันนี้หมายความว่ผู้มีความเพียรให้ทำอย่างนี้ความเพียรพยายามระวังพยายาม ทำความภาคควาเพียร น, นี้ต้องทำให้จริงทำให้เป็นเด็ดเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานะี่ยพระองค์ทำความเพียรเอาจนนี้เอาจริงจริเลยไม่ตายจะไม่ยอมแม้ตายก็จะไม่ยอมถ้าไม่ได้สิ่งที่ตั้งใจไว้เกิดขึ้นตายไปเนี่ยพยายามไปเนี่ยก็ตาม พระองค์ก็พยายามอย่างนั้นน่ะโดยเพียรพยายามทําแล้วทําอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกในที่สุดอิทธิข้าเพเจ้าก็หลุดพ้นจากกิเลสกองทุกได้อย่างจริงเป็นพระอรหันต์ส ม, มาสัมพุทัยเจ้าจริงๆเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์สามารถสอนได้ทั้งเทวดาสอนได้ทั้งมนุษย์ เทวดาก็สอนได้มนุษย์ก็สอนได้นัศาสนาที่จะมาสอนได้อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดามันต้องรู้เห็นเป็นจริงทุกอย่างจริงจริงจะสามารถสอนเทวดาได้สติปัฏามนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นครูของพวกเรา มนุษย์เราที่หวังความสุขความเจริญแก่ตนนี่สอนเทพตีบาราไม่ใช่ธรรมดาความเพียร น, นั่นแหละเป็นเหตุให้ได้ถึงความสำเร็จอ่ะถ้าไม่มีความเพียรละเลิกไปแล้วเหมือนคนอธิษฐานคิดว่าจะนั่งอธิษฐานนั่งไม่ กรดุกกระดิไม่เปลี่ยนท่านั่งไม่อะไรนี่ที่เราทำทดลองทดสอบกาลังใจอยู่เนี่ยนี่แหละถ้าไม่ีความเพียรทำไมทาไปก็เละละเลิกหยุดไม่ท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำแต่ผูท้ที่ตั้งใจเด็ดเดียวไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนท่านั่งไม่เปลี่ยนอะไรเลยอันนี้เลยว่าความเพียรถึงที่สุดความเพียรเต็มที่ของเรา ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีอย่าท้อถอยเวลาในคิดของเรากว่าเราจะได้โอกาสมาปฏิบัติถึงขั้นนี้เนะ่ะมันไม่ใช่ธรรมดามันไม่ใช่ธรรมดากว่าจะได้ความเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าเลือกปฏิบัติจนสามารถ สมกับความตั้งใจสมกับความภาคความเพียรสมกับเสียเราเสียเวลามาคณะว่าดีที่สุดแล้วที่ท่านทั้งหลายผู้เรียนทุกท่านทุกคนตั้งใจปฏิบัติบาเพ็ญของภาคความเพียรเนี่ยชื่อว่าทำเพียร น, นะทำความภาคความเพียรนนะันี่ คนจะสำเร็จมาคนได้ก็ไม่ใช่ธรรมดามันต้องมีความภาคภูคมเพียพรพอสมควรมันต้องมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวพอสมควรมันต้องตั้งใจปฏิบัติเต็มที่ยากก็ยา ก, ยากไม่ถอยละเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ถอยต้องเอาให้ได้นี่คือความตั้งใจมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำไปปฏิบัติไปมันก็ไม่ยากจนเกินความสามารถของมนุษย์ อมันก็มีเรานั่งนั่งอยู่ไม่กระดูกัะอีไม่เปลี่ยนท่าไม่เปลี่ยนอิริยาบถตั้งใจนั่งจริงๆเนี่ยเอาให้อยู่หมัดเลยเอาให้ได้เลยมันก็ได้จริงๆนะถ้าเราทำตั้งใจทำใจเราก็จะสงบเย็นสบายอันคุ้มค่าแล้ว ้ากิจเราเย็นสบายภายในมันคุ้มค่าคุ้มค่ากับการที่เราเสียเวลามาปฏิบัติมันไม่ใช่ใกลไกลมันดูป่าอยู่ลง ม, มันดูป่าเรามาเนี่ยไกลเหลือเกินถ้าเราคิดดูสิมาจากกรุงเทพยังไงมาจากปากทต้ ย, ยังไงก็มีตตมาถามดูมาจากไหน มาจากสุงไงโกรกโอ้โหเราก็เคยได้ยินแต่ในหนังสือเรียนประเทศไทยแบ่งเขตกับมาเลเซียนที่สุงไงโกโกน่โอ้ยคนตั้งใจมาอยากระบากรไหนก็มา บางคนก็กดหาเห็นว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ก็สืบถามหาเส้นทางที่จะมาจะมาอย่างไรงจะมาถึงอุดรได้ยังไงถึงอุดรแล้วจะไปยังไงอีกต่อบางทีก็ติดต่อกับพวกทํางานด้วยกันเนี่ยติดต่อติดต่อมาทาง มอไซบ้างทางทางอื่นบ้างอืมเขาบอกเส้นทางให้ไม่ใช่ธรรมดานนะน่ะถ้าไม่มีความบ้าความเพียนมาไม่ได้เลยมันไกลแสนไกลีอ่อาจะมาถึงอุดรล้วเห็นเลยนียังค่อยยังชั่วหน่อยนี่ยังต้องออกมาอีกตั้งยี่สิบเจดกิโลจากอุดรใครไหม ยี่กิโลกว่าจะมาได้มันไม่ใช่ธรรมดานี่แหละเสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจที่จะมามาอะไรมาทำความภาคความเพียรมาปฏิบัติธรรมนี่แหละตอนนี้พวกท่านทั้งหลายก็คงรู้แล้วว่าการปฏิบัติธรรมน่ะ มันสบายใจแค่ไหนมันเย็นใจแค่ไหนถ้าเราภาวนาเป็นแล้วมันเย็นมันสบายอยู่ในหัวใจนะทำอะไรอยู่มันก็สบายอยู่เย็นอยู่เป็นสุขอยู่ภายใ น, ในอืมอนั่นนห้ตั้งใจทำให้มากจเจริญให้มากมันจะได้ผลดีในการปฏิบัติ ขอทำควาภาความเพียรเพียรละความชั่วเพียรทำความดีเพียรทำกิจให้ผ่องใสเพียรละความชั่วเพียรบำเพ็ญคุศงามความดีเพียรทำกิจให้ผ่องใสเราก็ทำแล้วเราก็เห็นความผ่องใสในใจแล้วสบายใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นขอให้ทุกท่านทุกคน ที่มีโอกาสมาปฏิบัตินี่จงตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่เลยอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอคนท้อถอยคนอ่อนแอเนี่ยเรียกว่าคนไม่มีความเพียรไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีความตั้งใจเด็ดเดียวเรืออุปสรรคนิดเดียวก็ท้อถอยแล้วท้อกําลังท้อใจแล้วถอยแล้วไม่ต่อสู้อีกต่อไปอย่างนี้ แลคนที่อ่อนแอส่วนคนที่มีใจเข้มแข็งเนี่ยโอ้ยมันไม่ถอยแล้วมันก็เอาเต็มที่ตายเป็นตายยังเป็นอย่างถ้าไม่ได้เราไม่ยอมเลยนะไม่ได้ไม่ยอ ม, อมสู้ดเดี่ยวเลยอยากคนไหนก็ทำพยายามทำพยายามปฏิบัติพยายามกำหนดกิจยากก็ไม่กลัวเหนื่อยก็ไม่กลัว อะไรก็ไม่กลัวดูสิทานอาหารวันละมือ้อวันละมือ้อวันละครั้งเราก็ยังทนส่วนนอกนั้นก็เป็นอาหารว่างนิดหน่อยเท่านี้เองถูกเยนมาก็ได้นับปนานะแก้วเดียวนี่เราคิดดูสิเราอดทนแค่ไหนเราพยายามแค่ไหน เราซึกงมาภาวน า, างเป็นอยู่อย่างนี้คือจิตของเราก็สงบอยู่นี่เราต้องพยายามมากแล้วแรกก็ปวดเมื่อยปวดล้างปวดทำเนื้อามตัวปวดนั่นปวดนี่โอ้มันมีข้อที่อยากให้เรากลับนี้ไปกลับบ้านไปรักหนี้จะเป็นไงอาทางรักหนี้จะเป็นไง ลักไปแบอบบอกไปแล้วก็ไปเลยมันไปไม่ได้ไม่มีรถอ่ะอืรถไม่มีไปไม่ได้ไนะไไไไดจะไปจะแอบไปมันแอบไปไม่ได้หรอกหลบไปก็ออกไปแค่หน้าวัดแลหละหามานะอเตอร์ไซค์เทนะะเสแต่นี่มาคนท้อถอ ย, ถอยคนหมดกําลังใจคนหมดความภาคภูมเพียร ส่วนผู้ที่มีความภาคความเพียร น, นะมันไม่ถอยอย่งงางนั้นหรอกทำยังไงก็สู้ทำยังไงก็สู้สู้ให้ได้สิ่งที่ต้องการคือสมาธิเนี่ยหรือมากหรือผลหรือนิพานเนี่ยเราได้ส่วนไหนเราก็เอาเราพยายามอย่างเต็มที่ไม่ทอ้อถอยยากลาบากเราก็อดก็ทนเราไม่ถอยหลังกลับไม่หันหลังกลับ ไม่กลับไม่ง่ายถ้าไม่ภาวนาไม่เป็นจะไม่ยอมกลับเลยนี่เป็นอย่างนี้ต้องภาวนาให้เป็นให้ได้ว่าเราจะมาได้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ระยะทางไกล้อยู่ใกล้อยู่เชียงใหม่อยู่ลาพูนอยู่อุดร อ, อยู่ที่ไหนที่ไหนไหนลายๆลแห่งที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีโอ้โยอดโยบทั้งหลายนี่ตั้งใจมาจริงๆ แต่และคออแต่และครั้งก็ญาติโยกเขามามากมายโดยเฉพาะเดือนมีนาเมษาเนี่นี่แหละอากาศร้อนๆเลยอันนี้โอ้คนมาเยอะพาะครูอาจารย์ที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆก็เตรียมไว้ว่าถ้าได้โอกาสตอนปิดเทอมฉันจะไป เพราะฉะนั้นตอนปิดเทอมต้องเปิดกว้างแล้วให้มีโอกาสให้ท่านเหล่านั้นได้มีโอกาสมาปฏิบัติอย่างเต็มที่ให้ได้สมมตสมผลหรือสมความตั้งใจเพราะว่ากวาจะได้เวลามาใช้ความพยายามบางทีตั้งใจไว้เป็นหลายเดือนอหบางคนตั้งใจไว้เป็นปีเลยต้องเอาให้ได้ต้องหาทางไปให้ได้นี่ไม่ได้โฆษณานะ แต่ว่าแต่และคนก็าตั้งใจมาได้จริงๆพอมาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆริงเห็นกันอยู่นี่แหละเราก็เห็นกันอยู่นี่แหละว่าเราปฏิบัติแล้วมันลำบากแล้วมันดีมันไม่ดียังไงใจของเรามันต้องดีขึ้นน่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติลใจของเราก็ดีขึ้นเราคิดถึงความพยายามของเราที่มีตั้งแต่ต้นมาดูสิโอโหมันลำบาก ก่อนจะลุกจากบ้านมาได้ก็ลาบากมาแล้วก็ยังมานั่งอย่างลาบากอีกแต่ในที่สุดมันก็หนีความลาบากไปไม่พ้นในที่สุดมันก็สามารถชาระกิจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสขึ้นมาได้หลักธรรมในพุทธศาสนาปฏิบัติปฏิบัติได้จริงๆริงอากาลิโก ไม่ประกอบด้วยการเราทำเวลาไหนได้เวลานั้นเราปฏิบททัติธรรมเราตั้งใจดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปานสติเราคอยดูลมหายใจเข้าออกจิตเรามันสงบไปเอง่งเรากำหนดมันกาหนดดูอยู่ที่ลมนี่จิตแล้วสงบแหละเนี่ยทำถูกระแป๊บเดียวกิตสงบเลยนี่แหละ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเราเสียสละเวลามีค่าของเรามาได้อย่าถอยกำลังอย่าหนีอย่ากลับก่อนต้องทั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่จริงๆความภาคความเพียรเป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จธรรมะของพพุทธเจ้านี่ าการลิกูกไม่ประกอบด้วยการอเวลาไหนมาเวลาไหนก็สงบเวลานั้นแหะมาฝึกปฏิบัติข้างไหนก็สงบข้างนั้นทุกข้างทุกข่าวไม่หนีไปไหนนี่ขอให้ตั้งใจปฏิบัติไปอย่าหมดกําลังใจในการที่จะทำเหลืออีกไม่กี่วันก็หมดกอดแล้วอืมเนี่ย ถือว่าเราโชคดีทุกคนนะถือว่าโชคดีที่ได้มาปฏิบัติเนี่ยคิตใจก็สงบเย็นสบายย่อมรู้ย่อมเห็นด้วยตัวของตัวเองสันทิติโกผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นด้วยตัวเองเห็นว่าเรากิตสงบแค่ไหนสบายแค่ไหนเราเป็นผู้รู้ถึงคนอื่นจะพยากรหรือไม่พยากรว่าเราได้ ภาวนานะอย่างนั้นย่งนี้ก็ตามคนอื่นไม่ไเพื่อเกียก็ตามแต่เราก็รู้ของเราแล้วว่าเรามีกิจสงขึ้นใจสบายขึ้นมิตูกกังวลในเรื่องต่างๆน้อยลงนะเราเหตุอยู่แล้วพอให้ทําไปมันไม่นี้วไปไหนหรอกบ้านเดือนที่อยู่อาศัยของเราน้ามันจะท่วมมันก็ท่วมไปแล้ว แก้ไขอะไรได้เพรามันไปของมันเรื่องของน้ําของดินของลมของไฟมันเกิดขึ้นได้ทนะั้งนั้นแหละบางทีก็ขึ้นสึนามิอะไรคนตายเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนบ้านหลังใหญ่ก็พังทลายลงไปหมดนั่นะเรื่องของน้ำไม่ใช่ธรรมดามันทําให้คนเปลี่ยนแปลงไ ป, ไป จนลมตายได้ผู้ที่ไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนานเปิดเพินก็ลําบากมาจากต่างชาติต่างภาษาก็มีในที่สุดก็ขึ้นสึนามิเท่านั้นเองเปลี่ยนแปลงปปปไปแล้วตายไปแล้วไม่ได้อะไรเลยตายไปแล้วก็แล้วไปหมดเรื่องหมดราวหมดปัญหาสําหรับชีวิตนี้ชาตินี้ตายไปแล้วก็ มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นแหละเพราะไม่ได้ทําความดีเอาไว้ไม่ได้หัดสมาธิหรือไม่ได้ทําบุญทำทานไม่ได้สร้างกวาการกุศลอะไรไว้เลยมัวแต่เที่ยวหาความสุขความสบายอืตามหาชายตามนั่นนี่ในที่สุดขึ้นมาก็หนีไม่ทัน อ, อย่างนี้เป็นต้นนะ เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเรื่องน้ำท่วมก็เหมือ น, ก, นกันท่วมก็ท่วมของมันนี่มันเรื่องของน้ำอันตรายมากเหมือนกันน่ากลัวมากเหมือนกันนี่แหละเราสร้างพันส้าวเมืองมาตั้งสองร้อยกว่าปีแล้วไม่เคยเห็นน้ำท่วมกรุงเทพอย่างนี้เลย เราเกิดมาเราก็เห็นแต่ปกติธรรมดาไม่มีน้ำข่าวน้ำท่วมน้ำนั่นมากมายป่านี้แต่นี้เราเห็นมาในยุคเราเราเห็นน้ำท่วมท่วมไปหมดโคตดหมดกำลังใจนะท้อแท้เลยทำอะไรไว้ต่ออะไรไว้เสื่อมสลายไปหมดหน้าสรดสังเวชบ้านเรือนของคนก็ อยู่ไม่ได้บางทีไม่เอาปลั๊กไฟออกไฟก็ดูดอย่างนี่ไปเร่นจะตายไปนี่แหละน้ำท่วมสิ่งของก็สูญหายไปหมดอย่างคนมีห้องสมุดเนี่ยอย่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยน้ำท่วมคนหนีคนขึ้นไปไว้ที่สูงไม่ทันหนังซือเสียหายหมด จะหาอย่างนั้นกลับคืนมาอีกมันยากมากไม่รู้จะไปเอาจากใครไม่รู้จะเอาที่ไหนนี่แหละอาติโยมเหล่านั้นผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าหน้าที่ก็เสียอเสียใจโอยไม่รู้จะทำยังไงน้ำก็ได้ท่วมไปแล้วแก้ไขอะไรก็ไม่ได้นี่ทำให้เราหมดท้อแท้ใจเหมือนกันนะให้ให้หมดความภาคความเพียนไปได้ แต่ถ้าผู้ที่เด็ดเดี่ยวจริงๆก็เอาท่วบกว่าทว่วมอย่างเขาเป็ น, ปนบางที่หนีหาโอกาสขึ้นมาพักพิงอยู่ที่นี่มาภาวนาเขาอดปฏิบัติธรรมด้วย ท, ที่นี่ก็มีเหมือนกันอขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจอย่าถอยกลับอย่ามุนกลับเลยถ้ายังไม่เสร็จการปฏิบัติโดยออีกไม่กี่วัน เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจทําความภาคความเพียรติดต่อไปอย่าท้อถอยขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้จริงให้เด็ดเดี่ยวเพราะมันเวลาของเรานี่มันคุ้มค่าละที่เรามานี่ยคุมยค้มค่าจริงจริงคุ้มค่าตลอดชีวิตของเราเลยเราใช้เวลาที่ระยะอันกียตวันปฏิบัติธรรมนี่เราก็เห็นใจเราว่าเราปฏิบัติไปได้ถึงไหนแล้ว เป็นอะไรบ้างเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองเราก็เห็นอยู่ในใจของเราอย่างนี้แหละพอให้ตั้งใจปฏิบัติเอาให้มากบำเพ็ญให้มากทากํความภาคความเพียรให้มากตั้งใจให้มากตั้งใจให้เต็มที่ทําความภาคความเพียรติดตอ่อ ก, ก, กันไปลําบากยากเข็นขนาดไหนก็อดทนเอาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรายิ่ง ลำบากของพวกเราอีกเคยเป็นเจ้าชายมีความสุขความสบายอยู่ในรั้วในวังมานอนอยู่กลางดินกลางหญ้ากลางป่ากลางลงน่าเ ส, สดสลดสังเวชนะเอาหวังเอาชนะความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่แหละหวังเอาชนะกิเลสขาฆ า, าโทสะโมหะอวิชชาตันหาเหล่านี้แหละตั้งใจที่จะําราคิตให้บริสุทธิ์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาออกพยายามไปทุกสำนักทุกสถานที่อืไปทดลองดูปฏิบัติดูกระทาดูแต่ก็ไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ธรรมสมปุท тя ยได้มันยังมีข้องอยู่มันยังมีแวะบอกมุมนั้นมุมนี้อยู่มันไม่มันไม่ตรงเข้าไปสู่ความพ้นทุกพระองค์เขาตั้งใจบําเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองอในที่สุด พระ อ, องค์ก็บรรลุเป็นพระสมานสำนึกที่เจ้าพราะความภาคความเพียรความพยายามของพระ อ, องค์ก็เป็นศาสนาของพวกเราทั้งหลายสอนศาสนาคือคำสอนคำทเทศได้ตู้พระไตรปิฎกใหญ่บันทึกเป็นหนังสือก็ตั้งร้อยกว่าเล่มนี่แหละคำสอนของพระ อ, องค์แต่ เปรียบเทียบไปว่าร้อยกว่าเล่มนี้เท่ากับประดู่กับมือท่านเองหรือที่อยู่บนต้นมากมายไกลกองมันแต่ที่เอามาสอนนี่แค่ไปปู่กรบมมือเดียววพตถิเจ้าว่าพระพระองค์ถามพิสุทังหลายใบ ไ, ไม้อยู่ในป่าเขาอยู่ในต้นประดู่ลายนี่หรือต้นส ป, ปาอะไรใบ ไ, ไม้อยู่ต้นประดู่ลายนะมัน มันร่วงลงมาพระองค์ก็เลยกำมขึ้นมาแบบนี้กมขึ้นมาถามพระว่าใบไม้อยู่บนต้นกับใบไม้อยู่ที่กำ ม, มือของเราอันไหนมากกว่ากันพระทั้งหลายก็ตอบว่าอยู่ที่ต้นมากกว่าอยู่ที่กำ ม, มือน้อยนิดเดียวนั่นแหละพิคูดทั้งหลายเราเราแสดงธรรม โปทุกท่านทุกคนมานี่เท่าใบ ป, ปูกับมือเดียวอแต่ที่เราไม่ได้แสดงนีิอยู่บนตน้นนีิมากม า, กายกายกองนั่นแหละนี่คําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีที่เราปฏิบัติอยู่เรามาปฏิบัติเราก็ไม่ไดเอามาทั้งหมดอถือเรามีเวลาเท่านี้เราก็ฝึกอยู่เท่านี้แหละหัดอยู่เท่านี้แหละ หาให้มันมีความสงบขึ้นมาเนี่ยนี่แหละกำหนดรู้ลมเข้าออกรู้ลมเข้าออกมันจำนานแล้วก็ไม่ต้องไปดูลมเข้าออกให้มันลำบากอีกคอยจับความสงบนั้นเอาไว้คอยดูว่าจิตเราสงบสงบมันนิ่งแนวอยู่ก็คอยดูที่มันนิ่งแนวอยู่นั่นแหละไม่ทิ้งแต่คอยดูความสงบ ขอยสังเกตความสงบที่เกิดขึ้นในขณะที่เราตั้งใจทำความพาะคมเพียรความพาคความเพียรเนีเน่เป็นองค์มากเป็นหนทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ให้เพียรพยายามเพียรละความชั่วเพียรทำความดีเพียรทำกิจให้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี่นะพอให้ตั้งใจ ขอให้บาเพ็ญความภาคความเพียรไปให้มากมเรามาถึงที่แล้วขอให้เราประสบความสำเร็จถึงซึ่งความสุขความเจริญอัตมาแสดงมาก็เห็นว่าสมควรก็เวลาขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมในการบาเพ็ญคุณงามความดี ขอให้ทุกท่านทุกคนจวงประสบความสุขความสำเร็จสมความมุ่งมั่รพัสนาของตนทุกท่านทุกคนเดิอนอีหวังก็มี้วยประการและชนี